แง่คิดจากหนังตอน a l w a ว s ใจสะอาดโดยชลนนินบท ค, ความนี้มีการเฉลยเนื้อหาที่อาจจะทำให้ผู้อ่านเสียอรรถในการชมภาพยนาาตร์ หนังญี่ปุ่นเรื่องนี้คว้า12รางวัลใหญ่จากเวที Japanese Academy Award 2006นี่เป็นเหตุผลที่ผมสนใจซื้อดีวดีหนังเรื่องนี้มาเก็บไว้ตั้งใจว่าว่างๆจะหาเวลามาดูสักทีแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่ได้หยิบมาดูสักครั้งจนมีคนแนะนำอยากให้ผมเขียนถึงหนังเรื่องนี้จึงลองขอดูสักหน่อยชื่อเต็มของหนังคือ always sunset on Third Street เนื้อหาเกี่ยวกับผู้คนในชุมชนเล็กๆบนถนนสายที่3ของกรุงโตเกียวปีคริสตศักราช1958 13ปีหลังสงครามโลกครั้งที่สองผู้คนมากมายหลากหลายอาชีพมีทั้งเด็กสาวบ้านนอกที่เข้ามาทำงานในเมืองเจ้าของร้านซ่อมรถยนต์ที่มุ่งมั่นจะสร้างบริษัทรถให้ได้นักเขียนหนุ่มไส้แห้ง ผู้พลาดรางวัลจากการประกวดนิยายมาตลอดคุณหมอผู้อารีที่ต้องสูญเสียครอบครัวลูกเมียจากระเบิดในสงครามเด็กชายไร้บ้านที่ถูกใครต่อใครโยนไปโยนมาเหมือนเขาไม่มีชีวิตจิตใจหญิงสาวอดีตนางโชที่เปลี่ยนอาชีพมาเปิดร้านขายเหล้าแต่ละชีวิตถูกเรียงร้อยให้เข้ามาผูกพันใต้ฟ้าโตเกียวบนถนนสายที่สใกล้กับขอคอยโตเกียวที่กาลังก่อสร้าง พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยแต่ละคนต่างมีปัญหาของตัวเองกำลังเผชิญช่วงการเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกคนหวังที่จะมีชีวิตดีขึ้นพร้อมกับการรอคอยวันเวลาที่จะได้เห็นหอคอยโตเกียวสร้างเสร็จด้วยความภาคภูมิใจว่าเมื่อไรที่หอคอยนี้สำเร็จมันจะเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลก าและเรื่องราวในหนังล้วนก่อให้เกิดความหวังความอบอุ่นซาบซึ้งตรึงให้ชวนติดตามจนถึงฉากสุดท้ายพอดูหนังจบผมก็ถามตัวเองว่าจะเขียนถึงประเด็นใดดีเนื้อหาของหนังค่อนข้างกว้างจนผู้ชมสามารถเลือกเสพรับและเก็บประเด็นเล็กประเด็นน้อยแต่เป็นประโยชน์แก่ตนเองโดยไม่ค่อยซ้ำกันผมเลยขอเลือกประเด็นกระทบใจมากที่สุดล้อกัน เป็นเรื่องของเจ้าหนูจุนโนสุเกะเด็กชายที่ไม่มีใครต้องการจุนโนสุเกะถูกแม่ที่เป็นแก่อีชาทอดทิ้งให้อยู่กับคนโน้นคนนี้ตลอดเวลาซึ่งช่วงหลังสงครามใครๆก็ลำบากทำมาหากินไม่มีใครอยากเพิ่มภาระจึงไม่มีใครอยากเลี้ยงดูเขาจนล่าสุด เขาก็ได้ไปอยู่กับนักประพันธ์ไส้แห้งที่เผลอรับปากเลี้ยงเขาตอนกําลังเมาพอสางเมานักเขียนไส้แห้งก็รีบพาจุนนสุเกะไปคืนแต่ไม่สําเร็จจึงจําใจเลี้ยง ท, งทั้งที่ไม่ได้เป็นญาติกันเลยริวโนสุเกะนักประพันธ์หนุ่มไส้แห้งมีอาชีพเขียนนิยายเกี่ยวกับเด็กขายพอประทังชีวิต เขาแปลกใจอย่างยิ่งที่เด็กชายไร้บ้านคนนี้กลับเป็นแฟนนิยายตัวจริงของเขาจุนโนสุเกะที่ไม่มีใครต้องการใช้นิยายของเขาเป็นเสมือนโลกแห่งจินตนาการสร้างความฝันความสุขที่ไม่อาจหาได้ในชีวิตจริงพอจุนโนสุเกะมาอยู่บ้านนักกระพันธ์เขาก็มีโอกาสได้อ่านหนังสือที่รักที่ชอบมากมายจนเกิดแรงบันดาลใจ เขียนนิยายตามอย่างคนที่เลี้ยงเขาบ้างซึ่งจินตนาการของเด็กชายคนเนี้มีสีสันโดดเด่นชัดเจนบอกถึงความมีพรสวรรค์ซ่อนเร้นพอเพื่อนในห้องเรียนเดียวกันได้อ่านต่างก็ชอบกันทุกคนวันหนึ่งหนุ่มนักประพันธ์สมองตื้อคิดอะไรไม่ออกไม่มีปัญญาเขียนต้นฉบับทรงบังเอิญเห็นนิยายที่เด็กในบ้านเขียน จึงนำมาอ่านแล้วก็ต้องแปลกใจในความสามารถเกินเด็กเช่นนั้นความที่ยังคิดอะไรไม่ออกและต้องรีบส่งต้นฉบับเขาจึงเอางานของจุนโนสเกะไปส่งในชื่อของตนเองนักเขียนไส้แห้งหาข้ออ้างให้ตัวเองว่าที่ทำเช่นนี้ก็เพราะเขาต้องรับเลี้ยงเด็กที่ไม่ใช่ญาติฉนั้นเขาจึงมีสิทธิ์เอาความคิดผลงานของเด็กไปขายกิน พอหนังสือออกเขาก็ไม่กล้าให้เด็กชายอ่านแต่เจ้าหนูกลับไปได้หนังสือเล่มนี้มาจากเพื่อนในห้องที่เคยอ่านผลงานของเขาทาให้เด็กน้อยรีบวิ่งหน้าตาตื่นถือหนังสือกลับบ้านหนุ่มนักประพันธ์เห็นความลับเปิดเผย อ, อย่างนั้นก็อายรีบหาข้ออ้างข้อแก้ตัวต่างๆนานาเพื่อให้ตนเองพ้นผิด จ้าหนูจูโนสุเกะฟังคําแก้ตัวแทบไม่รู้เรื่องดวงตาเขาเบิกกว้างมือถือหนังสือเล่มนั้นชูให้หนักเขียนหนุ่มดูจนกระทั่งเขาแก้ตัวจบเด็กชายจึงเอ่ยปากด้วยเสียงสั่นๆผมตีใจมากเลยที่น้าเอาเรื่องผมไปทํำเป็นยาจริงๆตอนนี้มันได้ลงหนังสือแล้วด้วยเหลือแช่ที่สุดยอดเยี่ยมเลยครับ สีหน้าและแววตาของจูโนสเกตบอกถึงความปลาบปลื้มยินดีอย่างไม่เคยเกิดมาก่อนในชีวิตชนิดไม่มีเสแสร้งนักประพันธ์หนุ่มนิ่งอั้นพูดอะไรไม่ออกแค่บอกว่าละอายใจยังน้อยไปความรู้สึกมันรุนแรงยิ่งกว่าโดนเด็กดูถูกด่าทอให้ทุกคนในโลกประนามเขายังดีกว่าเจอสถานการณ์เช่นนี้ ความตื่นเต้นยินดีคําพูดใส่ซื่อของเด็กเหมือนกระจกสายที่สะท้อนให้เห็นถึงความอับปลักในใจของเขาเองจุนโนสุกเกะไม่สนใจหรอกว่างานของเขาถูกลอกอย่างหน้าไม่อายไม่สนใจว่าชื่อที่ปรากฏหัวเรื่องจะเป็นชื่อใครไม่ใส่ใจด้วยซ้ําว่าตนเองถูกโกงค่าลิขสิทธิ์เขาภูมิใจดีใจอย่างยิ่งที่งานของเขาได้ตีพิมพ์ไม่ว่ามันจะถูกลงว่าเป็นชื่อของใครก็ตาม แต่เจ้าหนูก็รู้ว่านี่คืองานของตนเองความจริงข้อนี้มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ใจที่สะอาดใสซื่อเช่นนี้ก็เป็นเช่นกระจกใสมองเห็นถึงใจตนเองและเป็นตัวอย่างสะท้อนให้ฝ่ายตรงข้ามวกกลับมาดูใจของเขาเช่นกันเห็นกิเลสความเลวร้ายอัปปรรักอยู่ในนั้นไหม หอคอยโตเกียวสร้างเสร็จแล้วมันจะเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลกหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ตัวละครหลายชีวิตยังคงดำเนินต่อไปท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอกและภายในกายใจของตนเองบทความโดย โช น, นินจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่ห7บเเสียงอ่านโดยโจโช